บทที่ที่ 13 ทำไมแค่รู้กิเลสก็สิ้นได้ทำไมแค่รู้กิเลสก็สิ้นได้ครับเรารู้ เมื่อจิตรู้ความจริงจิตก็ปล่อยวางไม่เข้าไปแทรกคือพอเห็นอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ เราฟังนะโกรธพอโกรธแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเช่น ไม่ตัดสินใจโดดชกคนที่มา และพาเพราะถ้ารู้ไม่ทันมาให้ตัวพูดผิดแต่เราก็จําเป็นต้องรู้กิเลส ตราบใดที่ยังมีเชื้อของกิเลสหลบหูจมูกลิ้นสัมผัสใจกิเลสที่ซ่อนนอนก้นอยู่ในจิต และเราไม่ต้องไปคิดเรื่องตัวผู้ถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้ว่ามีเผลอมันอยากมันยึดหรือๆไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะเข้าใจเองว่าหนึ่งจิตมันจะ ขึ้นมาเมื่อใดความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อใดความ 7 กรกฎาคม 2542